ผู้เคยมีอำนาจต้องสิ้นชีวิตหมดอำนาจเพราะมีผู้ช่วงชิงและขึ้นครองอำนาจแทนนั้นอโยธยามหานครต้องต้อนรับทูตหลายคณะที่มาเยือนเป็นทางการในเวลาใกล้เคียงกันทูตเหล่านั้นอ้างว่ามาเพื่อดูพิธีการปกครองและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองซึ่งในข้อนี้ทางอโยธยาย่อมรู้ดีว่าเป็นเพียงข้ออ้างอันไพเราะเท่านั้นเพราะบุคคลที่มาเหล่านั้น แม้จะอ้างว่ามาดูวิธีปกครองและการสร้างความเจริญก็จริงแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั้นแหละเป็นกลิ่นที่ไปได้ทั้งถวนลมและตามลมในการยั่วยวนใจของผู้ใฝ่อำนาจและความเป็นใหญ่แห่งแคว้นต่างๆให้คิดหาทางแย่งชิงไปไว้ในอำนาจของตนเมื่อได้ชมความเป็นไปในอโยธยาแล้วสิ่งที่ทุกทั้งหลายมักขอร้องให้พาไปชมก็คือความเจริญภายนอกพระมหานคร หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่ภูมิประเทศและการป้องกันภายนอกซึ่งทางอยุธยาก็ไม่ขัดข้องเพราะได้เตรียมการให้ดูเฉพาะที่เห็นว่าจะไม่ทำให้ผู้ดูรู้อะไรมากไปกว่าธรรมดาในแผนการป้องกันแว่นแคว้น อยุธยาเป็นเมืองดอกไม้ที่มีผู้ปรารถนาเจด็ตไว้ชมพอคณะทูตจากโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นหวังสะอันตั้งอยู่ทางใต้ของอยุธยาเดินทางกลับคณะทูตจากกัมปิลราชธานีแห่งแคว้นปัญจาละก็มาถึงแคว้นปัญจาละตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอยุธยาแบ่งออกเป็นภาคเหนือและภาคใต้เช่นเดียวกับแคว้นโกศล กล่าวคือโกศลภาคเหนือมีกรุงสาวัตถีเป็นราชธานีและภาคใต้มีอยุธยาเป็นราชธานีส่วนแคว้นปัญจาละซึ่งยังอยู่ทางเหนือขึ้นไปมากนั้นภาคเหนือมีราชธานีนามว่าอหิชาตรหรือชตราวดีส่วนภาคใต้มีกัมปิละเป็นราชธานีแม้กัมปิละจะชื่อว่าเป็นราชธานีภาคใต้ของแคว้นปัญจาละแต่ก็ยังตั้งอยู่ทางภาคเหนือของอยุธยา ไปหลายโยธเป็นอันว่าทั้งเมืองเหนือคือกัมปิละและเมืองใต้คือโกสัมพีต่างก็สนใจในอโยธยาอยู่ด้วยกันเมื่อกล่าวในลักษณะภูมิประเทศทางอโยธยาเห็นว่าโกสัมพีจะมีอันตรายน้อยกว่าเพราะถ้าจะยกทัพมาจริงก็จะต้องข้ามแม่น้ำใหญ่ถึงสามสายคือยมุนาคงคาและอีกสายหนึ่ง อันตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำคงคากับสรยูส่วนกัมปินละทายกทัพมาก็คงข้ามแต่น้ำสายเดียวคือแม่น้ำซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคงคากับสรยูเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทพระเจ้าสุรเสนาทรงเปลี่ยนวิธีสดับตรับฟังข่าวจากแคว้นต่างๆเป็นหลายประการ คือเดิมใช้คนออกไปเป็นสายๆพอมีเรื่องอะไรที่ควรรู้พวกนั้นก็กลับมาแต่วิธีใหม่ใช้คนไปอยู่ประจำในรัชทนานีที่สำคัญทั้งหลายโดยประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าบ้างเป็นช่างเหล็กบ้างและมีผู้ที่ไปตั้งภูมิลำนาอยู่ในระหว่างทางเป็นระย ะ, ะยะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่ควรทราบก็ให้ข่าวต่อๆกันมาหรือส่งสารลำนามาโดยบุคคลเหล่านั้นไม่ต้องเดินทางกลับ เพียงติดต่อกันในระหว่างระยะทางกับผู้ที่จะไปอยู่ประจำข่าวนั้นก็จะมาถึงอโยธยาโดยรวดเร็วอีกประการหนึ่งคงส่งคนออกไปเป็นสายสายอย่างเดิมแต่ไปกันหลายคนเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ส่งคนกลับมาเพียงบางส่วนที่เหลือให้เดินทางต่อไปโดยในยนี้อโยธยาก็ทราบความเป็นไปต่างๆของแคว้นนั้นๆพอที่จะเรียมการได้ทันท่วงทีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นธนิยะ จะชี้แจงให้พระเจ้าสุรเสนาทราบถึงความเป็นไปในข่าวสำคัญที่เกี่ยวกับแคว้นวัดชีและโกศลภาคเหนือดังนี้ดูก่อนสุรเสนาวัดชีจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของมคตถ้าสีหะเสนาบดียังมีชีวิตอยู่แต่ทางมคตก็ฉลาดพอที่จะไม่ใช้กำลังทหารในเบื้องต้นเพราะภูมิประเทศของวัชชีช่วยเหลือในการป้องกันดีมากดังที่พอ่อ เคยชี้ให้เจ้าดูแล้วระหว่างทางเดินแขวนมคตได้ใช้วิธียุให้แตกกันเองในระหว่างผู้มีอำนาจของแขวนวัชชีผลที่ปรากฏก็คือเมื่อวัตชีขาดความสมานสามาคัคคีวัตชีก็อ่อนเปลี้ยและเป็นเสมือนหนึ่งอาหารอันโอชะที่มคตจะพึงเข้ายึดไว้บริโภคอย่างง่ายดาย ดูก่อนสุรเสนะผู้ไม่สำนึกในสามะขีธรรมพอใจในความเป็นใหญ่และความเด่นของตนแต่ฝ่ายเดียวเมื่ออยู่รวมกันมากๆความวิวาดบาดหมาง ก, กันเองก็เกิดขึ้นศัตรูภายนอกนั้นถ้าไม่มีเหตุที่คนภายในแตกกันเองหรือไม่ใช่เพราะคนภายในตั้งตัวเป็นศัตรูของกันและกันเองแล้วก็ยากที่จะได้ช่องทาอันตรายแจ้วันแควนใดๆไ ด, ไ ด, ได้เพราะฉะนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้คำนึงถึงสามัคคีธรรมและลดความชิดตั้งตนเองเป็นจุดกลางกล่าวคือเห็นแก่ประโยชน์ชื่อเสียงของตนเป็นใหญ่เสียให้รู้จักยอมสละบ้างนั้นแล้วคือทางแห่งความปลอดภัยและไม่เกิดความเน่าในขึ้นดูก่อนสุรเสไนนาส่วนเรื่องที่พระเจ้าประสเสนที่โกศลทรงสิ้นอำนาจและสิ้นพระชนอย่างน่าสังเวช นอกประตูเมืองราชครืในขณะที่ทรงดันด้นไปหาพระเจ้าอชาติัตรูเพื่อขอกำลังมาปราบผู้ยึดอำนาจนั้นความจริงก็เป็นความหมุนมาแห่งกลงล้อคือกรรมที่พระองค์ทรงประกอบไว้เองนั่นคือการที่พระองค์ทรงสั่งให้ข่าพันธุละเสนาบดีขุนพลผู้ซื่อสัตย์ของแคว้นโกศลพร้อมทั้งบุตรอีกหลายคนโดยทาเป็น ใชใ้ไปปราบจลาจนณชายแดนแล้วแต่งคนไปจับค่าเสียด้วยเหตุเพียงเชื่อคำยุยงของคนบางคนผู้เกลียดชังพันธุลษณาบดีว่าตั้งอยู่ในสัตวธรรมเกินไปเมื่อทรงทราบว่าค่าคนดีไปแล้วก็ไม่มีทางอื่นที่จะล้างความรู้สึกผิดชอบที่ได้ทรงทำการพลาดจึงได้สั่งให้รับทีขายนะผู้เป็นหลานของพันธุลสณาบดีมาเลี้ยงเอาไว้แล้วส่งเสริมให้ได้เป็นอมาน จนได้ส่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเสนาบดีขุนพลแห่งแคว้นโกศสในที่สุดที่ค้าราชณาจเก็บความในใจไว้จนได้โอกาสจึงได้อาศัยตําแหน่งขุนพลของตนยึดอนานาจและปล่อยพระเจ้าประสิทธิให้ระเหี่เร่ร่ อ, รอนไปกับสตรีรับใช้เพียงคนเดียวแล้วพระเจ้าประสิทธิก็เสเด็จไปขอกําลังจากแคว้นมคตและสวรรคตทั้งที่ยังไม่ได้ทันเข้าสู่ประตูเมืองราชครืดดังกล่าวแล้ว อันหนึ่งเมื่อทีขราญนะเซนา บ, บดีมอบอำนาจในการปกครองถวายพระเจ้าวิถุทพะผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้าประสิะทธิโกศลแล้วเช่นนี้สงครามระหว่างสาวัตถีกับกบิลพัทก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเจ้าสากยะผู้เป็นเชื้อพระวง์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาจจะดีในหลายทางเช่นตั้งอยู่ในศีลธรรมตามโอวาทของพระบรมศาสดา แต่มีข้อเสียอยู่อย่างมากและเป็นเรื่องชักจูงให้ตนเองต้องพากันพินาศก็คือเรื่องความถือตัวจัดรังเกียจคนต่างวงต่างเผ่าถึงขนาดดูหมิ่นเยยดยามผู้อื่นเพียงวิถูทภะเป็นบุตรของนางวานสภคติยาซึ่งเป็นบุตรีแห่งทาสีของสกุลสากยะเองส่วนสกุลทางบิดาก็คือมหานามสากยะและบิดาของวิถูถภ ก็เป็นถึงพร ะ, พระเจ้าเปรตที่โกศลมหาราชผู้มีอำนาจเนื้อแควนกระ บ, บิลพัฒน์ถึงอย่างไรก็นับได้ว่าวิถุทพภะเป็นญาติโดยตรงของเจ้าสากยะแต่ก็ไม่วายที่จะดูหมิ่นเยียดยามใช้ให้ทาสพากันนำน้ำนมสดมาล้างที่นั่งของวิถุทพภะเมื่อลากลับจากที่เยี่ยมเยียนวิถุทพภะจึงผูกอาคาตและได้ทราบว่ายกทัพไปหลายครั้งแล้วหากพบ พระบรมศา ส, สดาระหว่างทางจึงยกทัพกลับแต่พ่อเชื่อว่าในที่สุดก็จะยกทัพไปอีกและคงสั่งให้เชือดคอเจ้าสากยะเอาโลหิตในลำคอล้างแผ่นกระดานที่พวกนั้นเคยให้ล้างด้วยน้ำนมสดเป็นการแก้แค้นให้จงได้ดูก่อนสุรสนณทุกคนได้สร้างสิ่งที่จะย้อนมาประหารตนเองเช่นนี้จึงมีใช่ความผิดของผู้อื่นหากเป็นเรื่องของใคร ทำอะไรไว้ก็ต้องรับสนองกรรมของตนเองดูก่อนสุรเสนะในขณะนี้พิถุทพะยังมีความกางังวลเรื่องแก้แค้นอย่างไรก็คงยังไม่คิดลุกรามอโยธยาในระยะหนึ่งแต่ในที่สุดก็คงจะต้องคิดเพราะอโยธยาเป็นราชธานีของโกศลภาคใต้ ดูก่อนสุรสีณะขณะนิกษัตริแห่งกรัรมปินละรัชธานีแขวนปัญจาละกำลังตื่นข่าวความเจริญของอยยธยาอย่างไรก็คงเตรียมทําสงครามยั่งอำนาจในเมชานี้แหละเป็นข้อหน้าสังเวชคือเมื่อนครนี้เกือบจะร้างก็ไม่มีใครคิดครอบครองครั้นเห็นรุ่งเรืองขึ้นกลับอยากได้เหตุไฉนกษัตริย์เหล่านั้นจึงไม่ภาคเพียร ทำความเจริญแจ่แว่นแขวนของตนให้เต็มที่เมื่อสงครามเกิดขึ้นพ่อเสียดายกำลังความชิดกำลังมนุษย์เหลือเกินที่จะต้องเสียไปเพียงเพื่อสังเวยความละโมบและความหวงแหนความเป็นใหญ่พ่อคิดอยากจะชวนเจ้าให้ทิ้งอโยธยาไปเสียเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่อยากได้เข้าครอบครองต่อไปแต่ก็สังเวชใจว่าอยุธยา จะกลับสู่ความเป็นเมืองร้างไปอีกในเมื่อผู้ครอบครองเหล่านั้นคิดแต่ความยิ่งใหญ่ของตนเองเป็นข้อสําคัญส่วนความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองนั้นไม่ได้คิดทําคิดสร้างกันจริงจังเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะต้องตัดสินใจและฟังความคิดเห็นของคนส่วนรวมในอโยธยาดูก่อนพระเจ้าสุรสีนาทรงปรึกษากับทนิยะพระชบิดาเป็นอันมาก ถึงวิธีการป้องกันภายนอกพระมหานครพร้อมทั้งได้สั่งการอย่างลับๆให้ดัดแปลงภูมิประเทศภายนอกให้เหมาะสมจะรับทัพของกัมปิละทุกโอกาสที่กองทัพทางโน้นจะเคลื่อนลงมาควันสงครามกำลังเกิดขึ้นในที่ทั้งหลายแต่แท้ที่จริงก็คือควันแห่งความโลก ความโกรธและความลุงของมนุษย์เองความบันกลัวได้มีอยู่บ้างในจิตใจของคนบางคนแต่บางคนกลับคิดเห็นเป็นของสนุกที่จะได้มีโอกาสใช้วิชารกซึ่งได้ฝึกฝนมาบางคนก็ฝากความเชื่อไว้ในพระเจ้าสุรเสนะกริย์หนุ่มผู้เป็นที่เคารพรักและเชื่อถือของตนเพราะได้แสดงพระปรีชาสา ม, มารถมาแล้ว จนประจักษ์ชัดหลายคราว